أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و و س م ل م م وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلم ن ا أنفسنا و เ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنا ะร ن ن ا ل เ ا าแ ا ้วเราจะไม่เป ش นหนึ ا งในผ ع ้แพ้พระเจ้ ن ا ปร ا ให ل เรา م ด้รู้จักแ ن ا ข ن ให้ ا ราได้รับการช่วยเหลือจ ا กความชั่วร้า เสุรัตุลจินเราเดินทางมาพร้อมๆกันนะครับครึ่งหนึ่งของสุรอกแล้วเป็นการเดินทางกับเรื่องราวที่มหัศจรรย์เรื่องราวที่มีอยู่จริงในชีวิตของเราเป็นเรื่องราวที่อาจจะดูหรืออาจจะฟังดูแปลกแปลกประหลาด เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ว่าหลายๆอย่างนะครับที่มีอยู่บางทีเราอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันอย่าว่าแต่เรื่องที่มองไม่เห็นเลยเรื่องที่เรามองเห็นมีเรื่องแปลกมากมายที่เรามองเห็นชีวิตของเราก็เป็นเรื่องแปลก เพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เรื่องจินการที่อัลลอฮุ س ب ح ا ن และได้บอกเล่าให้เราทราบถึงเรื่องราวของอีกโลกหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นมันแปลกตรงไหนชีวิตของเราถ้งมีเรื่องแปลกเยอะแยะนะครับที่เรามองเห็นทุกวันนี้เราก็ยังให้คำตอบกับความแปลกประหลาดของตัวเราเองยังไม่ได้ มีใครคิดว่าตัวเองแปลกบ้างไหมนะเคยคิดบ้างไหมว่าตัวเองนี่แปลกหน้าตาอย่างนี้นะครับมีมือมีเท้าเดินได้ความรู้สึกนึกคิดนิสัยใจคอถ้าอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะละไม่บอกเล่าให้เราฟังมันก็เป็นเรื่องแปลกบางทีเรื่องที่เราคุ้นเคย เรื่องที่เราชินกับมันเราอยู่กับมันทุกวันเรื่องที่แปลกมากก็กลายเป็นเรื่องไม่แปลกได้เพราะเราคุ้นเคยกับมันความโมโ oh ห ok ของเราความละโมบ oh ok, โลภมากของเราจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกนะแต่เราเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเกิดขึ้นทุกวันในชีวิตของเราสิ่งที่เราเรียนในส ah ุรทูลมาอาริจที่อัลลอฮว่าอินนัลอินซานะขุลิะฮะลูะ إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع เป็นเรื่องแปลกแต่เราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอยู่กับมันทุกวันอัลกุรอานสําหรับบางคนเป็นเรื่องแปลกเพราะเขาไม่เคยอ่านมันเลยพอมาอ่านอัลกุรอานกลายเป็นเรื่องแปลกแต่สําหรับบางคนไม่ใช่เรื่องแปลกอ่านอัลกุรอานวันละหนึ่งจูซ สำหรับพวกเราหลายคนเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับคนบางคนโอ้จิตใจมากหนงยุสเนี่ยจิตอยมากสุนห้านาฬลล่บางคนสามวันจบนะครับบางคนหนึ่งอาทิตย์จบแต่สำหรับเราเป็นเรื่องแปลกไหมเป็นเรื่องแปลกเพราะเราไม่เคยทำเราไม่เคยลองเราไม่คุ้นเคยกับเรื่องต่างต่างเหล่านั้นดังนั้นอย่ามอง ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺกำลังเล่าให้เราฟังในสุรตุลจินเป็นเรื่องแปลกเลยครับเพราเราเพิ่งฟังเพิ่งเคยได้ยินก็เลยนึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกจริงๆแล้วเรื่องจินเรื่องชัยตอนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะใครที่เคยประสบเองก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกอะไรเลยเพราะฉะนั้นรู้เอาไว้ เรียนรู้จากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบัยนาะห์ตะละได้สอนให้กับเราเอาไว้นะครับเพื่อเราจะได้รับบทเรียนจากมันเนยประการที่หนึ่งเลยเราจะได้รับบทเรียนจากมันแน่นอนว่าครึ่งซุรอกที่เราเรียนเนี่ยมีบทเรียนที่เยอะแยะมากมายเลยที่จินสอนเราอที่จินมาสอนมนุษย์จินมาสอนมนุษย์ ให้เข้าใจให้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้เพิ่มความศรัทธาเราถ้าเราเรียนเรื่องจินแล้วความศรัทธาของเราไม่เพิ่มมากขึ้นเต้องมาทบทวนสักนิดหนึ่งว่าทำไมความศรัทธาของเราไม่เพิ่มขึ้นหลังจากที่เราเรียนเรื่องจินแล้วผมเคยคยนั่งคุยกับ เ, เด็กๆบางคนนะครับก็บอกว่าพอเขาเรียนเรื่องจินแล้วรู้สึกว่าศรัทธาของเขาเพิ่มขึ้นเพราะว่า อจะบอกว่ายังไงดีคือคือใช้ชีวิตปกติเนี่ยในสภาพที่เก็กมาเรเกเรนะครับแต่พอเล่าให้ เ, เล่าเรื่องยินให้ฟังซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาสัมผัสได้มันเป็นเรื่องเล่นลับที่สัมผัสได้เป็นเรื่องเล้นลับแต่สัมผัสได้าสามารถที่จะประสบเองสามารถที่จะไปเห็นอาการร่องรอยของเรื่องเหล่านั้นจริงๆได้ แล้วอิสลามมีคำอธิบายว่าทำไมเวลาที่เราเห็นคนถูกผีสิงหรืออะไรนี่มันอิสลามมีคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมจากเดิมทีนะ่คือมันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ไม่เคยเอาใจใส่อิสลามอาจจะพลิกอาจจะกลับตัวกลับใจมา เรียนรู้อิสลามเพิ่มขึ้นเพราะเข้าใจเรื่องยินมากขึ้นอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราต้องหา เ, เขาเรียกว่าประตูแห่งฮิดายะมันมีหลายบานคนที่จมปลักอยู่กับความความความซ้ำากจำเจ ของชีวิตที่ห่างไกลจากอิสลามเนี่ยเขาจะต้องหาเขาจะต้องหาว่าเขาจะเข้ากลับมาสู่อิสลามจากประตูไหนต้องหาให้เจอถ้าสมมุติว่าเราวนเวียนอยู่นอกนอกรั้วของอิสลามอยู่ตั้งนานเราไหวเราหลงระเริงอยู่กับอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราห่างไกลจากอิสลามเนี่ย พอเราจะกลับมาสู่อิสลามมันที่เราหาประตูไม่เจอแล้วประตูมันไม่ได้บีแค่บานเดียวต้องหาให้เจอว่ามันอยู่บ้านไหนบางคนอาจจะกลับมาสู่อิสลามจากเรื่องจินก็ได้บางคนอาจจะกลับมาสู่อิสลามจากมันมีหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าหนึ่งในจานวนเหตุผลอัลลอฮฺละนะครับที่ว่าทำไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่อยๆนะครับเรื่องนี้เรื่องจิน และอีกอย่างหนึ่งเรื่องจินเนี่ยเกี่ยวข้องกับอกคดะของเราอย่างแนบแน่นการเรียนรู้เรื่องอัลเมุลเกเบเรียนรู้เรื่องชัยตอนเกี่ยวข้องกับประดินที่สําคัญมากในชีวิตของมุสลิมทุกคนนั่นก็คือเรื่องความเชื่อเรื่องอกคดะถ้าเราเข้าใจเรื่องจินผิ ด, ผดอกคดะของเราอาจจะเสียหายอิสลามของเราอาจจะเสียหายได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนั้นในเมื่อมันจําเป็นจะต้องเรียนเราต้องเรียนให้ถูกเรากลัวเหลือเกินว่าเราจะเรียนเรื่องจินจากแหล่งข้อมูลที่ค้านกับอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมแล้วมันก็มีไอสํานักสถาบันหรือสํานักหรือจะเรียกว่าอะไรดีอ่าสํานักที่คอยจะสอนวิชาเนี้ยที่มันค้านกับ การสอนของท่านนบีสุลต่านอัลสลามเที่ยวมาหลอกชาวบ้านเที่ยวมาหลอกชาวบ้านว่าอะไอเนี้ยมันเป็นเจ้านั่นเป็นเจ้านี้จะต้องถวายนั้นจะต้องถวายนี้จะต้องทำอย่างนู้นด้อย่างนี้ไม่มีในคำสอนของอัลกุรอานไม่มีในคำสอนของสุนนะของท่านนบีสุล่าอัลสลามเลยถ้าเราไม่เรียนรู้ไอที่ถูกต้องเราอาจจะตกเป็นเหยื่อความเชื่อที่ผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ นะัาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ว่าจินเป็นยังไงข้อเท็จจริงของมันเป็นยังไงเวลาที่มีข้อมูลอื่นเข้ามาเราจะได้รู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะทําลายความเชื่อที่ถูกต้องของเราได้นะครับอัลลอฮฺเราจะละละมาเรียนกันต่อนะครับครึ่งหลังของสุลตุลจินนะตั้งแต่อายะห์ที่14นะครับเป็นต้นไปวันนี้14 الرجيم أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا من المسلمون ومن القاصطون م َ ن ْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا ر َ ش َ د َ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا و َ أ َ ل َّ و ِْ س ْ ت َ ق َ ا م ُ عَلَى الطَّرِيقَةِ ل َ أ َ س ْ ق َ ي ن َ ه ُ م ْ مَا أَنْغَدَقَ ลีนั unes, ard, Rules, holiness, ่ฟตีว่าไมยืกรถันทรบ bihyaslukhu عذابا صعدا وأن َ المساجد َِ لله َِ فلا َ تدعوا مع الله ِ أحد ََ وأنه َََّ لم َ มา قامعبدالله يدعو وَإِنَّمَا أ ََ ل َ ه ا ل ْ ح َ ر ُ ا ل َْ ر ِْ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ ل ِ ب َ د َ ا َ ا ل ا ُ و ا ي و َ ن ع ل ي ه و ن و ن َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ ل ََِ ا قل إنما أدعُ رَبّي ولا أشركُ به أحداً الحمد لله أَحَدًا Allah سبحانه رَبّ كَانَ آن ของเราการตัด บ, บรของเรานะครับจากอายะที่มีเกียรติของพระองค์อาเมนอบลลอฮัลลอฮฺอาเลมิ وأن من المسلمين و นน ا ل ق ั ص น ي ن أني ่ยุเน่เรื่องราวที่พวกจินมาเล่าให้ท่านนาบีฟังนะครับและแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีผู้ที่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ด้วยการเชื่อฟัง และในหมู่พวกเราก็มีผู้ที่ละเมิดและอธรรมคือบรรดาผู้ที่เบี่ยงออกไปจากเส้นทางแห่งสัจธรรมนะครับฟาหมันอัสลมดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ยอมสยบและน้อมรับต่อ Allah ด้วยการเชื่อฟังฟาอูเลอีกะจฮาร์รอชาดะคนเหล่านั้นคือผู้ที่มุ่งเจตนาสู่เส้นทางแห่งความจริงและความถูกต้องผลควายพยายามด้วยการเลือกของเขาเอง Allah จึงทรงชี้ทางแก่พวกเขาไปสู่พระองค์ สนบรรดาคนที่ละเมิดออกจากเส้นทางแห่งอิสลามพวกเขาก็จะเป็นเชืเ้อเพลิงของไปนะรกวะอัมมัลกัสซุลุนตะแานุลิจฮันนัมฮอตับะ ah สองอายัดนี้เป็นการตอกย้ำอายัดที่เราเคยอ่านมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่าอายัดที่สิบเอนะครับที่พวกจินบอกว่าวะอัณนะมินนัฟซุลิฮุนนะพวกจินยอมรับเองว่าในหมู่พวกเขาเองเนี่ยมีทั้งผู้ที่ศรัทธาต่อล l l a h และมีผู้ที่กาเฟรรื ก, กูฟอร์ตต่อล l ะ a h ไม่ใช่คกูฟอรอย่างเดียวแม้กระทั่งในหมู่พวกเขาเองยังมีนะที่เราบอกแล้วนะที่บอกว่าอะไรนะมีคําพูดของใครนะมีคําพูดของใครนะที่อมุกกาซิรเอามาเล่าให้ฟังนะครับคําพูดของอัลอามัชหรือเปล่ามานะบอกที่บอกว่าในพวกหมู่จินเองเนี่ยมีมัสฮับไหมมีพวกมีกลุ่มที่เบี่ยงเบนกี่พวกกี่กลุ่มกัน อุจินก็ยอมรับพามีแล้วอามะกถามว่าแล้วตกลงอัลลอฮฟิดะในมูจินที่เป็นรฟิดะเนี่ยเป็นยังไงนะครับพวกจินก็ตอบว่าอัลลอฮฟิดะชรุนจินที่เป็นจินรฟิดะก็เป็นกลุ่มที่ชั่วที่สุดในมูจินนะอูซบิลลาห์มินซลิกนะจินก็มีรฟิดะเหมือนกันลวะละวตอลลบิลลาละเพราะฉะนั้นอายัดนี้สองอายตดนี้เป็นการตอกย้าอีกครั้งหนึ่งว่า ในมู่จีนเองก็มีที่เป็นมุสลิมนะครับที่ศรัทธาต่อ Allah س ب ح ا และมีจินที่กูฟอรหรือปฏิเสธศรัทธาต่อ Allah س ب ح ล ะ, ะ, ะ فمن س ل م ใครที่ผูนะ้ที่ศรัทธาต่อ Allah ก็คือผู้ที่ทหเรอรชดาคือคนที่พบกับเส้นทางที่เที่ยงตรงทหเรอทหเรอรชดาเนี่ยคว่าทหเรอหมายถึงคนพบ ใครได้ยินไหมฮะดิษที่ท่านนบีสั่งให้เราหาไลลัตุลกัจร์ะหาเราเลลัตุลกรท่านนบีบอกว่าจงสวงหาไลลัตุลกัจรใน العشر ีอว่าคร์ของรอมฎอนคำนี้มาจากคำเดียวกันอัจฮารีก็คือการคนที่ศรัทธาก็คือคนที่ค้นพบทางที่เขาจะกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه แะ วระเะอาลราชดรชัชดรุชดีรชเดมาจากคมาจากความหมายที่ว่าเส้นทางที่เที่ยงตรงนั่นเองนะครับอิสลามคือกุญแจที่จะนำเรากลับไปสู่เส้นทางที่เที่ยงตรงนะครับถ้าไม่มีอิสลามเสมือนกับว่าเราไม่มีกุญแจเราหาเส้นทางไม่เจอนะครับต้องมีกุญแจอิสลามก่อนอัฟลาฮะมันฮุดยอิลอิสลาม ต้องเปิดกุญแจต้องเปิดบ้านของเราด้วยกุญแจแห่งอิสลามใครที่เป็นมุสลิมใครที่ยอมสยบยอมน อ, นอกกบ t, น้อมต่ออัลล์สุบฮาน a l t o t แสดงว่าเขาได้พบเส้นทาง น, นั้นแล้วว่าอัลกอสตูนอัลกอสตูนหมายถึงคนที่เบียงคนที่เบียงเบนหักเหลอลาอิลูนหมายถึงคนที่ออกไปจากเส้นทางของอิสลาม فأولائك فكانوا لجحنم حطب فكانوا لجحنم حطب قل لوني ถ้าไม่ได้มีอิสลามแน่นอนว่าเส้นทางของอิสลามคือเส้นทางเดียวเท่านั้นที่เที่ยงตรงเวลาที่ท่านนาบีสุลต่านจะบอกสัฮาบะฮารุประชาชาติของท่านท่านในยกตัวอย่างนี้เป็นวิธีการสอนของท่านนาบีสุลต่านใครที่เป็นครูเระบอกว่ว า, วาวิธีการแม้กระทั่ง นะการสอนเนี่ยท่านนาบีก็ได้สอนสหบัติวิธีการสอนท่านจะสอนอยังไงมีอยู่ครั้งหนึง น, นบีท่านนาบีเขียนนะเขียนขีด น, น, นะขีดบนพื้นบอกว่าอันเนี้ยวะฮาจัดเราตีมุสตะกี้มาท่านขีดเส้นตรงขึ้นมา1เส้นแล้วก็ขีดเส้นเป็นเป็นอะไรก็เนี่ยเป็นก้านเป็นกิ่งนะเป็นแขนงออกมาจากเส้นที่ตรงมาแกขีดเป็นเส้นเส้นเส้นเส้น อาก็บอกว่านี ا ك أ ك ่คือเส้นทางของ a l l a ที่เที่ยงตรงและีคือเส้นทางของอิสลามส่วนอันนี้ที่เป็นแฉออกมาเนี่ยคือซุบูลชัยตอนคือเส้นทางของชัยตอนนะเมืออที่ Allah ตรสอา้ว่าและี่คือเส้นทางของอเดียวส่วนเส้นทางที่บิดเบือนเนี่ยมีหลายทาง อัลเจอรนหรืออลกอเซตุนก็คือคนที่เลือกเส้นทางที่มันแยกออกไปจากเส้นทางของอิสลามเส้นทางเหล่านี้ล้วนแล้วจะจะนำกลับไปสู่นรกทั้งสิ้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงของนรกฮตัตบ์ฮตัตบถ้าภาษาของมันจริงๆก็คือไม้ฟืนหรือฮ ah ันนามะฮัตบ์ไม้ฟืนของนรกก็คืออะไรครับ ยาอือลที่ัยาอือฮีนั้น آ م ن ا ل ط ยาอือฮลที่นั้น آمنووأنفسكم وأهلكم نار وقودهن ا ا ل ح ج ر อุบันดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกสิ้นเชื้อเพลิงของมันก็คือ أنناس มนุษย์มนุษย์เป็นเชื้อเพลิงของนรก و ا ر และฟ้นหิน ตอนเห็นพวกนี้ก็คืออัลอัฟซาหก็คือบรรดารูปเจว็ตรูปปั้นนะอัลุบิลลาฮิมันดาริกลาฮาวลาอัลลวฮูเจลลาบิลลาฮ์ illah, q, ah มนุษย์จะเป็นเชื้อเพลิงของนรกถ้าหากไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ تعالى เห็นไหมครับนี่คือคําพูดของจินนะจบละนะนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็ น, เ, เ, ปนเป็นเรื่องเล่าสุดท้ายที่พวกจินมาเล่าให้ท่านนาบีสุลตานละฮ์อัลลอฮิสัลลัมหรือมาเล่ามาพูดกัน นะครับแล้วอัลลอฮฺต้าลาฮก็มาเล่าให้ท่านนาบีสุลลัลละสลัมได้รับฟังหลังจากนั้นอัลลอฮฺต้าลาก็เล่าต่อนะเป็นการบอกถึงกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจินหรือมนุษย์ก็ตามไม่สามารถที่จะออกพ้นไปจากกฎเกณฑ์ข้อนี้นะครับพวกจินมาบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เป็นมุสลิมและมีอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งเหมือนกับมนุษย์มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน มนุษย์ที่เป็นมุสลิมมนุษย์ที่ยอมรับต่อ n taala กับมนุษย์ที่ปฏิเสธต่อ n taala มนุษย์ที่ปฏิเสธต่อ taala า ل ه ُถ้าไอ้พวกที่ไม่ยอมศรัทธาต่อถ้าหากว่าพวกเขาอิสตพวกเขายืนหยัด อยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงและอัศวินาหฮุมม้เงาดักอัลลอฮฺ تعالى จะให้ริษทีกับพวกเขาอย่างกว้างขวางจริงๆแล้วคําว่าอัศวินาหฮุมนี่หมายถึงว่าจะให้ฝนตกลงมาจะให้พวกเขาได้มีน้ําฝนม้อันแม้ก็คือน้ํา วตะกอก็คือ น, น้ำที่มากมายเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างอย่างชุกนะครับทำไมเวลาที่เราแต่แลาพูดถึงริสกีเราแต่และตั้งเอาน้ำมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์เพราะอะไรครับเพราะน้ำเนี่ยเป็นต้นตอของของริสกีสังเกตดูนะครับประเทศไหนภาคไหน เมืองไหนที่มีฝนตกชุกเป็นไงบ้างครับฮะบ้านเมืองเป็นยังไงดินแดงของมันเป็นยังไงพื้นที่เป็นยังไงสภาพทางภูมิศาสตร์ภาคภาคใต้เราเนี่ยจะเป็นจะเป็นภาคที่มีความอุ ด, ดมสมบูรณ์มากที่สุดเพราะอะไรเพราะฝนตกชุกมากกว่าภาคอื่นอยู่ปลูกต้นไม้อะไรขึ้นหมดเลยจะปลูกอะไรก็ได้นะจังหวัดที่มีฝนตกชุกเนี่ยจังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดฝนตกชุกที่สุดของประเทศไทยจังหวัดอะไร จังหวัดระนองระนองก็บอกอะไรนะฝนแปดฝนแปดแดดสี่ 4. นะครับฝนเนี่ยแปดเดือนแดดแค่สี่เดือนไปดูเลยนะครับแถบแถบใกล้ๆ ก, กับระนองแถวพังงาที่อยู่ใกล้ๆ ก, ก, กับระนองหรือแม้แต่กระทั่งภูเก็ตเองก็ยังอยู่ในจังหวัดที่มีฝนตกชุกเช่นเดียวกันแนวที่เราที่เราขึ้นไปนะจะเห็นความแตกตา่างเห็นไหมครับตาตลาดใชาน้น้ําน้ําฝนเป็นตัวแทนที่จะบอกว่ารุสกีจะเยอะถ้ามีน้ําฝนเยอะ พาวันไหนถ้าปีไหนที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลลำบากทั่วหัวระแหงและนี่ก็คือความลับนะที่บอกว่าแล้วน้ำฝนเนี่ยมันอยู่กับอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับมนุษย์หรือเปล่าฝนไม่ตกเนี่ยเราจะเอาน้ำจากไหนสมมติเราจะไปทำยังไงให้ฝนตกฝนะนเนี่ยอยู่กับอัลลอ์เพียงพระองค์เดียวไม่มีสิทธิ์เลยคนอื่นไม่มีสิทธิ์เลย ทำเ ง, งี้ไม่ตบฮ um um <in> ะอัลลอฮตาลาไม่ยอมไม่ตกกุอ ر أ ي ت م إن أصبح ม ا أقوم غورا ะ م ن يأتيكم بما إمّاين อัลลอฮตาลาบอกว่าอย่งกลาวถึงว่าฮัมมัดถ้าสมมติว่าน้ำที่อยู่ในดินของพวกเจ้านี่แห้งอากใครจะทำให้ตาน้ำมันขุดขึ้นมาน้ำที่อยู่ในดินก็มาจากฝนทีนี้ฝนจะตกเนี่เพราะอะไรอัลลตาลบอกวา่าฝนจะตกเพราะ มนุษย์เธอ سبحان ا อ ل ه ถ้ามนุษย์เป็นผู้สัตว์แะอัลลอฮ์จะตั้งอยู่ตนเส้นทางนั้นหากมนุษย์เนี่ยจินหรือมนุษย์หรือทุกคนนะที่ถ้าอยู่ในเส้นทางของอัลลอฮ์ س ا ن ه และอาลัยและอาลัจะไม่ไม่กักเอาไว้เลยริสกีขององค์พระองค์จะให้มาอย่างมากมายเหมือนไหมในสุลานุห์สุลานุห์สุลานุห์ตอนที่ท่านนบีนุห์อะลัยลามดกาักของท่านนบีนูห์บอกว่าอย่างไง Chan ni dakwah vok jauh ni, kerana untuk memberikan Allah Subhanahu Wataala pelajaran rezeki kepada vok jauh. Ada ayat dalam Al Quran yang Allah Taala katakan, "Jika vok walaupun ahli al-Qur'an amanu wa taqo, lufatahna عليهم barakatul min al-sama' min al-sama' wal arq. Jika katakan orang melayu, walaupun ahli al-Qur'an ถ้าหากชาวเมืองอะมนุ وا วัตตะกอถ้าชาวเมืองเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ตักวาต่อล l l a h รัตละจะให้บรารักาจะให้บรารกาบารักาก็คือโชคลาภอันมากมายจากท้องฟ้าและก็แผ่น ด, ดินแต่เหตุที่ลัตละไม่ประทานบรารักาลงมาเนื่องจากว่าชาวเมืองไม่ได้ศรัทธาต่อ Allah سبحان ล l l a h อันนี้เราก็ไม่รู้จะบอกยังไง นะรเราก็ไม่ชอบอกอยังไงเพราะว่ามันต้องลองนะครับระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธาระหว่างประเทศที่เป็นประเทศผู้ศรัทธากับประเทศที่ไม่ศรัทธาลองดูเองนะครับไม่อยากจะเปรียบเทียบนะเรลองดูเองว่าสภาพเป็นอย่างงั้นหรือเปลา่าเป็นจริงทางดังที่อัลลอฮฺสุบบานแต่ละได้บอกเอาไว้หรือเปลา่านะครับแต่ว่าอายัดเนี้ยอายัดนี้เองนะที่บอกว่าวَ ا ل ลَّ ه ُ و َ إ ِ س ْ ت ถ้าหากบรรดาคนที่ปฏิเสธต่อ Allah เนี่ยมาศรัทธาต่อ Allah และยืนหยัดในศาสนาของเราองค์พระองค์จะให้ริสกียังมากมามันมีการติมซีรอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะ Allah กล่าวบอกว่าเออมีนักติมซีรที่อธิบายว่านะ والقول الثاني มนุันมีริมบอกว่าการเติมซีดอายัดนี้มีสองแบบ أ ح د ห وألوا س ت ق ا م القاصطون على ط ر ي ق الإسلام وعدل إليه واستمر عليها ل س ق ي ن ا ه م ا ن غ د ق ي ك ث ي ر ความว่าถ้าหากคนที YY ่เบียงเบนออกจากเส้นทางของอิสลามเนี่ยหันกลับมาสู่อิสลามอัลลตาลาก็จะเปิดริสกีของพระองค์ให้อย่างมากหมายนี่เป็นความหมายแบบหนึ่ง و ا ل ق و ل คความหมายแบบที่สองนะครับที่มนฮัซิรบเอามาที่ายก็คือ و ัลล่าวิ قام على الطريق الطِّلَال <ان> ถ้าคนพวกนี้ยังยืนหยัดอยู่บนเส้นทางแห่งความหลงสังเกตหมแตกต่างกันตรงไหนครับแตกต่างกันตรงไหนความเห็นแรกหรือตั e เชตแนวแรกอธิบายว่าถ้ายืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงตัปเชตแบบที่สองอธิบายว่า ถ้ายืนกรานไม่ต้องใช้คําว่ายืนหยัดใช้คําว่ายืนกรานดีกว่านะยืนกรานดื้อด้านอยู่บนเส้นทางที่หลงทางจะเกิดอะไรขึ้นเราเส้นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคำตอบอันเดียวกันละอัลกายนะฮุหมะอันรอดะกออัลลอฮฺตาลาจะให้พวกเขาเหล่านั้นหลงอยู่หรือได้รับเสีีเหมือนกันแต่ว่า ริสกีท <c oughs> <c oughs> <le> ี่ได้รับในแบบที่สองเนี่ยเป็นริสกีแบบอิสติโดจริสกีแบบเขาเรียกว่าขุนเพื่อฆ่าเขนรียนนี่ครับในซูร์ฮ์อัลฮะก์กะฮ์รุบลาที่เราเรียนอัลฮะกะฮ์รลาซูร์ฮ์อัลกัลม์อินนามะเซนัสดริจุมมินฮซุลาญะเลมุนซูร์์ เราักขั้นใช่ไหมครับที่บอกว่าเราจะตรึงอยู่หุ่มไม่ให้สุเลยอัลเลมุนอัลลอฮฺอะลัที่พระองค์ทาทรงลงโทษคนที่ดื้อด้านอยู่บนเส้นทางแห่งการปฏิเสธศรัทธาเนี่ยว่าเราจะให้ให้ให้ให้ให้จนกระทั่งคนพวกนี้เนี่ยมองเมาเขาบอกเขาเลยเมากับดุนยาจนกระทั่งมองไม่เห็นสัจธรรมอีกต่อไปแล้วถึงเวลาที่พระองค์ลงโทษมาจะลงโทษแบบ ราบเรียบราบเรียบนะครับระหน้าเป็นหน้ากลองไม่เหลือคนเหล่านี้อยู่เลยมันมีความมันมีลักษณะความหมายคล้ายๆกับดุอาของท่านนาบีนูตอลลฮิสซาล า, สสลาที่ท่านนาน้นยิ้มว่า ว, าวาา่า ولا تزيد الزالمين إلا ضلالا อย่าได้เพิ่มให้กับบรรดาคนที่ซอเลมนอกจากเพิ่มความหลงทางเข้าไป ในเมื่อ阿拉สัลารู้แล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่รับอิสลามแล้วอย่างนั้นก็ให้มันจมอยู่ในความหลงทางต่อไปเวลาที่พระองค์หลงเอาเวลาที่พระองค์ลงโทษคนเหล่านี้เนี่ยฉันจะได้ไม่ต้องรู้สึกกังวลไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกอะไรใดๆทั้งสิน้นสุภาพนัลล่นแหละนะครับมีสองสองสองเขาเรียกว่าอะไรนะสองทัศซีสองแนวในการทัศซีแต่ว่าถ้าดูจากนะครับจากเซีย จากสัมมวนของอายัดเนี่ยความหมายแบบที่หนึ่งเป็นความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับที่จะบอกว่าถ้ามนุษย์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับความหวังของเราเนี่ยเวลาที่เราขอริสกีจากอัลลอฮ์สุภาพนะแต่อาไรพี่น้องครับทุกวนันนี้มีคําพูดเป็นบทกวีของอิหมั่นชัฟฟีผมเพิ่งฟังมาเมื่อสักครู่นี้จําไม่ได้จำจำจำเนื้อความของมันไม่ได้นะครับอิหมัม่นชัฟฟีเคยเคยมีบทกวีบทเดิมของท่านท่านบอกว่า เวลาที่ความคับแคบคับ อ, อกคับใจเราจนกระทั่งเราเหมือนกับมีความรู้สึกว่าไม่มีทางออกให้แล้วกับปัญหาในชีวิตของเรานะครับแต่เราก็เฝ้าวิงวอนขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหวะตะละนะวันแล้ววันเล่าที่เราขอดุอาจากอัลลอจนกระทั่งสุดท้ายการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตะลาก็มา โดยที่เราเกือบเกือบนะครับเกือบเกือบจะหมดหวังว่าอะไรแต่และจะไม่ช่วยเหลือเราแล้วแต่สุดท้ายความช่วยเหลือก็จะมาอันนี้สําคัญมากนะสำคัญมากนะมา ก, การรักษาความรู้สึกนี่สำคัญที่สุดเวลาที่เราเจอปัญหาใครเป็นผู้ทดสอบเราคนผู้นั้นแหละที่จะให้ทางออกกับเรา ถ้าเราเชื่อว่าไอ้บททดสอบที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมาจากอัลลอ์และเราจะไปหาทางออกกับใครได้อีกนอกจากจากาอัลลอฮ์ سبحانه ละ ت ع ا ل เพราะฉะนั้นอ q i d a ์นี้สำคัญมากนะครับอย่าให้ถึงกับจินต้องมาสอนเราอก i d a ์ข้อนี้เลยนะครับนี่เราเรียนรู้มาหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับเวลาที่ท่านนาบีสลัลลัลลอฮอะลัยวะสัลลัมเชิญชวน ประชาชาิของท่านไม่ว่าจะเป็นน บ, บีคนไหนนะครับล้วนแต่สอนกฎข้อนี้กันทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องลังเลอีกอไม่ต้องมาไม่ต้องมาวอกแวกอีกกับกฎเกณฑ์ข้อนี้ของร่องสุภาเ น, าานวตารละเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่มีทางที่จะเป็นนอกเหนือไปจากนี้เมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าจบหมดหนทาง จนตรอกไม่รู้จะไปทางไหนแล้วยังมีอล l l a h อยู่นะครับมีคําพูดที่ก็บอกว่าอย่ามองไปข้างหลังนะใครเห็นอย่างสเตตัสวันนี้นะครับอย่ามองไปข้างหลังพระจะทําให้ท่านนั้นโศกเศร้ากับอดีตและอย่ามองไปข้างหน้าเพราะจะทําให้ท่านกังวลกับอนาคตที่จะมาถึงเวลาที่เรามองอดีตอูปวดร้าวเหลือเกินกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําเอาไว้ พอมองไปข้างหน้าโอ้มืดเหลือเกินไม่รู้จะไปทางไหนีน่ ก, นนจจ <c oughs> กำลังจะจบกำลังจะโอ้หลายคนไม่รู้จะแต่ ง, งานยังไงดี <c oughs> ยังหาไม่เจอเลยเยอะหลายเรื่องเหลือเกินอนาคตของเรามองไปข้างหลังเจ็บปวดมองไปข้างหน้ากังวลแล้วต้องมองไปทางไหนก็บอกว่าให้มองไปข้างบน เพราะข้างบนน่ะมีอัลลอ์ที่จะทำให้ก็ให้จะทาให้เจ้าได้พบกับความสุขที่แท้จริงสุภานนัลล่นอหเราลืมที่จะมองไปข้างบนเรามองแต่ข้างหลังกับข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อคิดนะเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราทุกคนว่าอัลลอฮ์สุภาพน้าจ่าละอานะอินดะฮุสเนาลนาดีบีอัาลล์บอกว่าฉันจะอยู่กับบาของฉันตราบใดที่เขา คิดดีกับฉันคิดดีกับอัลลอฮ์ก็คือคิดอยู่ว่าอัลลอฮ์ตะลากำลังจะช่วยเหลือเราอั Allah ลลอฮ์ตะลาไม่ทอดทิ้งเราอัลลอฮ์ตะลาต้องการให้เราทําอะไรนะครับดังนั้นจําเป็นมากที่เราจะต้องทองําความเข้าใจกับบทข้อนี้นะครับในอายัดนี้ของอลอสุภาอัลลอฮตะลาลีเนฟตีเนฮุมซียาอัลลอฮ์ยังพูดไม่จบเลยอันนี้เรายังพูดไม่จบ เรื่องที่บอกว่าถ้าใครที่ทถ้าใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่ตักวาต่อ Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเขาอย่างมากมายอายักนี้มากํากับไม่ให้เราเหลืองสมมติว่าอลัอลลอฮ์จะให้ละนะเราทําดีเราอยู่ในร่องรอยของศาสนาแล้วอลัอลลอฮ์ก็ให้ริสกีกับเราบางทีพออลัอลลอฮ์ให้ริสกีกับเราปุ๊บเรากลับไปสู่เส้นทางเดิม เรากลับไปสู่การหลงลืมก่อนที่เราจะเป็นคนดีเหมือนเดิมมีโอกาสไหมฮะตอนแรกน ะ, ะใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากแร้นแค้นขอดูอาขอดูอาขอดูอาจะอัลลอฮ์อ Allah. Allah. Allah ลัลลอ์ก็ให้พออัลลอ์ให้กลับไปสู่การลืมอัลลอ์ตาลาอีกครั้งหนึ่งนะอุบิลละฮิมินตาลิกดังนั้นอายันี้จึงมากํากับเอาไว้ลนัสีนะฮุมฟี มนุษย์เอ๋ยที่เราให้กับเจ้าเนี่ยให้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการทดสอบเจ้าไม่ใช่ว่าให้มาเพื่อเป็นรางวัลไม่ไม่ใช่ให้มาเปล่าๆโดยที่จะไม่ทดสอบเจ้าระวังให้ดีการทดสอบจเจาล่อสบาแต่อะในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงนั่นก็คือให้เราสบาย การทดสอบแบบสบายเนี่ยถ้าคนมาเยอะถ้าอีมานของเรามาเยอะทดสอบแบบลำบากเราผ่านได้ดีทดสอบแบบลำบากเนี่ยเรานึกถึงอัลล์ทุกวันเรานึกถึงอัลลอ์วันนี้ไม่มีตังจะกินข้าวย่าอัลลอ์ขอริสกีให้ฉันได้กินข้าวด้วยเถอะ๋ยวไหมทดสอบแบบลำบากแต่พอทดสอบแบบสบายปุ๊บบอวันนี้มีตังเหลือนึกถึงอัลลอฮ์บ้างหรือเปล่า ไม่เลยไม่ได้นั่นถึงเรา้อฉลองหน่อยเว้ยไปร้านนั่นร้านนี้นะครับกินกาแฟราคาเป็นร้อยบาทแก้วหนึ่งไม่รู้สึกอะไรเลยนะทดสอบแบบสบายเลนเอฟีนฮุมฟี س ب ح ล ن ا ل ว ه لا حول و ซานัลลอฮฺะระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีการทดสอบฟิตเนสที่มาแบบสบายสบายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า เคยได้ยินไหมออันนี้เป็นเล่นตลกๆนะครับเป็นสุภาษิตคําพังเฟยคนมาลายูหรือเปล่าจําไม่ได้ก็บอกว่าเวลาที่ลมพัดมาแรงๆอ่ะลิงที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยมันจะ ม, นมันจะกอดกิ่งไม้แน่นเลยมันกลัวอะไรมันกลัวจะหล่นจากต้นไม้แต่ถ้าลมมาแรงๆแต่ถ้าลมมาแบบลมพัดแบบเอื่อยๆอ่ะแบบ ลมพัดแบบสบายๆเลิงมันจะหลับ <twitch> มันจะหล่นมันจะหล่นลง <ax texts> มันจะหล่นต้นไม้ได้นะระวังให้ดีเราเหมือนกันไอ้ความลมลมสบายๆเนี่ยจะทําให้เราหลับห <scored> ลับไม่ตื่นแล้วอาจจะตกต้นไม้ได้มันลิงตัวนั้นนะครับ <fish> นี่ต้องระวังมากนะครับเวลาที่เราให้เราสบายอะฮะาวอัลลอฮ์อาลอฮ์อัรลอบบฮ์ ย سلكه عذاب صعدا ومن يعرض أنذكر ربي ن ้าใครก็ตามที่หันหลังผินหลัง أنذكر ربي น้า ذكر ربي ก็คือการรำลึกถึง Allah ในที่นี้ไม่ถึงคำสอนของ Allah ไม่ว่าจะเป็นคำสอนที่มาจากอัลกุรอานหรือมาจากคำสอนของท่านนบีสุลตานละฮะเลวะสันลำก็รวมอยู่ในความหมายนี้ทั้งสิ้นนะครับ Ai, l a l l a ا ل จะทยังไงยสลุกหอาบนซาเะ ل จะให้เขานะครับต้องประสบกับการลงโทษที่หนักหน่วงมากซดก็คือชากหนักหน่วงตรงกันข้ามกับคนที่ปฏิกับคนที่ศรัทธาต่อ Allah ถ้าเราศรัทธาต่อล l เราจะมีชีวิตอย่างกว้างขวาง Allah จะประทานบารกัดให้กับเราในขณะที่ คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์หันหลังให้กับคำสอนของอัลลอฮ์จะมีชีวิตอยู่อย่างครับแค่อันนี้เป็นความรู้สึกจริงบางทีนะคนที่อาจจะมีเงินน้อยมีรายได้น้อยแต่มีอัลลอฮ์ว่าใจของเขาสังผัดได้ว่าอยู่ได้สบายมีน้อยก็อัลฮัมดุ ล, ลิลละห์มีเยอะก็อัลฮัมดุ ล, ลิลละห์ หัวใจกว้างเขาเรียกใจกว้างอยู่ได้สบายสบายแต่คนที่ไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยบางทีอยู่ในอยู่ในทรัพสมบัติที่ใช้ไม่หมดทั้งชีวิตทั้งชาตินี้เขาก็ใช้ไม่หมดแต่หัวใจของเขายัางยังยังยังอะไรเขาเรียกยังรู้สึกอึด อ, อัยังรู้สึกไม่ไม่มีความรู้สึกสบาย อ, อุสบายใจเพราะอะไรเพราะไม่มีคาว่า อ, อัลีมัน ไม่มีความศรัทธาต่อลระสุาะตาลมีสิบต้องการหนึ่งร้อยมีร้อยของกันพันมีพันต้องการหมื่นมีหมื่นต้องการแสนไม่มีวันจบสิน้นเพราะไม่มีไอ้นี่ตัวเดียวไม่มีตัวแปรแค่ตัวใดก็คือการศรัทธาต่อลระสุานะตาลนี่คืออีกปรัชญาหนึ่งในอิสลา ม, มนัเป็นปรัชญาที่ท่านนาบีบอกว่าไลยเซลกินะอังกัฟรอติลอารัต و ินน ا ل غ ي ن ا غينا ไม่ใช่ความร่ำรวยคือการที่คนคนหนึ่งมีทรัพสมบัติมากมายแต่หัวใจของเขาคับแคบจะใช้ใจ่ายก็คิดแล้วคิดอีกนะบัญชีมีเป็นสิบๆจะบริจาคทีหนึ่งต้องหารแล้วหารอีกบัญชีจะรัฐจะร อ, รอไหม <c oughs> เอาบัญชีไหนดีเวลามีตังเยอะนี่ยคับแคบ ولكن ล ل غ น ى غنى ا นัฟส ความร่ํารวยที่แท้จริงก็คือความร่ํารวยน้ําใจความร่ํารวยที่มีอยู่ในหัวใจของเราอันนี้เป็นปรัชญาอย่างหนึ่งที่ท่านนบีสุลต่านลำได้พูดกับเรานะครับมันยิ่งใหญ่มากลองดูนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องมหาสารที่อยู่กับเราที่อยู่กับตัวเรารู้สึกธรรมดาเพราะว่าเร า, เราอาจจะไม่ได้ทดลองใช้มันนะครับุอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นตั้มระวังนะครับว่ามันยุริอ อัน ذكرربه ิยาสลุก وعذابصعد ะคำว่าการลงโทษ ต, ตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่การลงโทษที่เราเห็นเป็นก้อนๆ น, นะเห็นเป็นเม็ดเมดเห็นกลมๆ ม, มาเลยไม่ใช่อาจจะเป็นความรู้สึกในใจของเราก็ได้ก็เป็นการลงโทษนะครับมีทุกอย่างในชีวิตแต่ใจไม่สบายอันเนี้ยเป็นการลงโทษที่พระเจะบอกอยังไงละ มีทุกอย่างมีลูกหลานมีรถมีบ้านแต่ตัวเองว่าใจไม่สบายเป็นทุกข์กินยาไม่รู้ตั้งกีก่กระปุกไปหามหมอไม่รู้ตั้งกี่โรงพยาบาลรักษาไม่หายโรคใจอ่ะพิการทางใจที่เราเคยพูดมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะหันหลังให้กับอัลลอฮ์ سبحانه และเพียงพระองค์เดียวนะอุ้บิลลาห์มินบาริ นะครับเราอยากเข้าใจผิดว่าไอการลงโทษหลอกล่อเนี่ยมันจะต้องเป็นลูกไฟมาหรือจะเป็นน้ําท่วมมาเหมือนสมัยนะบีนูหรือเป็นพลิกแผ่นดินพลิกเมืองเหมือนสมัยนะบีรูตไม่ใช่ไม่จําเป็นบางทีเราอยู่ในบ้านคนเดียวอยู่ถ้าอยู่ต่อเออะไรนะนั่งกดรีโมททีวีอยู่นี่บางทีก็อาจจะมีการลงโทษลงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้การลงโทษที่ a l l ล h จะลงโทษเราอาจจะเห็น จากลูกของเราอาจจะเห็นจากเมียของเราอาจจะเห็นจากอามันมีหลายอย่างนะครับการลงโทษที่อัลลอฮจะลงโทษเราเนี่ยหลายอย่างแลวเกิดสาเหตุสำคัญก็คือการที่เราพินหลังให้กับอัลลอ์นะครับให้กับการสัตธาต่ออัลลอฮฺซุลกานุวะตะแล้ว เอาอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นคําพูดของท่านอุมรัรอิมุลคะตอปนะครับเป็นการปิดท้ายตันตัสสิทอายันี้อุมารอิมุลคะตอปมีคําพูดที่สวยงามมากนะครับท่านบอกว่าอย่างไงท่านบอกว่าไอหนามแค่หนาเมาอแค่หนาเมลูที่ไหนมีน้ําอุดมสมบูรณ์ที่นั่นจะมีทรัพสมบัติเยอะใช่ไหมครับเพราะว่ามีน้ําสมบูรณ์เอามาเพาะปลูกได้เอามาทําได้หลายๆอย่าง น้ำเป็นต้นทานแห่งริสกีที่เราจะทำมาหากินเฉพาะปลูกหรือจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรถ้ามีน้ำเราทำได้หลายอย่างนะอุมรัรบอกว่าที่ไหนมีน้ำที่นี้ที่นั่นมีความสมบูรณ์ว่าอินมาแกนัลมาลุแกนติลฟิทนะสุขานัลอฮ์และที่ไหนที่มีทรัพย์สมบัติที่นั่นจะมีฟิตนะนี่คือสัจธรรมที่เราหนีไม่พ้น ที่ไหนมีน้ําที่นั่นมีสมบัติมีทรัพย์สินเยอะที่ไหนมีทรัพย์สินเยอะที่นั่นจะมีฟิตนะมีความวุ่นวายมีความเยอะแยะนะครับมีฟิตนะเยอะกว่าที่ที่ไม่มีทรัพย์สินและก็ทรัพย์สมบัติมาชาอล l l a h นะครับแลเอเลฮาอิล a ลอ a h ข้าพเจา Allah سبحانه และ تعالى นะครับทรงปกป้องเรานะครับให้รอดพ้นจากฟิตนะนะครับที่ท่านนาบีบอกว่า อัฉรว่ามาอัฟวะเลยุณสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดนะสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเนี่ยท่านนบีบอกว่าว والله مل فقر أخشى عليكم ฉันขอสาบานต่อ Allah ว่าฉันไม่ได้กลัวว่าพวกเจ้าจะยากจนท่านนบีไม่กลัวพวกเราจะยากจน و อินมะอัชชา عليكمأن ทุศัตฯ عليكم الدنيا แต่สิ่งที่ฉันกลัวกับพวกเจ้าก็คือการที่อัอาลลอลฺจะเปิดขุมคลังแห่งดุนยาให้กับเจ้ากามบุเซฟัตอัลเมันบละคมเหมือนกับที่อัอาลลอฮฺเคยให้กับบรรดาคนก่อนหน้าพวกเจ้าคนสมัยก่อนนะครับฟาตนาฟาซูฮะแล้วพวกเจ้าก็จะแข่งแย่งชิงดีดุนยา ยิ่งแย่งดุ نية ย, ยิ่งมีดุน ي ายเยอะจะยิ่งแย่งดุเนียนะครับไม่มีเวลาสําหรับอัคราสกามาตนาฟซุฮะฟะตุนาฟซุฮะกามาตนาฟซุกามาตนาฟซุฮะแล้วพวกเจ้าก็จะแย่งดุเนยียเหมือนกับคนสมัยก่อนพวกเจ้าแย่งดุเนยียฟะตุฮลิกะคุมกามะอัลลัคต์ฮุมแล้วดุเนียก็จะทําลายเจ้าเหมือนกับที่มันเคยทําลาย คนก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีกลัวว่าจะเกิดกับพวกเราทุกคนฟังเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับดุนยาเป็นบททดสอบจากอ AH ัลลอ์สุบฮานออาละดุนยาสวยงามแต่มันเป็นบททดสอบจะบททดสอบว่าเราจะอยู่ยังไงจะอยู่ให้ถูกกับดุนยายังไงนะครับซึ่งคาตอบคําแนะนำมันมีอยู่ในตัวอย่างในคำพีของอัลลอ์ และในแบบอย่างของท่านนบีสัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมอยู่ในดุน ي ة ถ้าตามอิสลามตามสุนนะของท่าน رسول สุลลัลลอฮฺสัลลัมปลอดภัยแน่นอนอินชาอัลลอฮฺแต่ถ้าเราไม่มีตัวอย่างไม่มีคําสอนจากอิสลามจากท่านนบีสัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมอย่าว่าแต่ดุน ي ة อันกว้างใหญ่เลยนะครับดุน ي ة แคบแคบที่เราอยู่ทุกวันนี้เงินเดือนไม่กี่บาทก็จมได้ไม่จําเป็นต้องเงินเดือนเป็นล้านเป็นแสน กับเงินเดือนกระจกกระจกเนี่ยก็อาจจะล่มจมได้ถ้าหากไม่รู้จักวิธีที่จะจะเอาชนะกับมันนดุน尼亚ไม่จําเป็นต้องเป็นแสนเป็นหมื่นครับเป็นพันก็คือดุน尼亚ระวังให้ดีนะเราอย่าคิดว่าเอ้ยเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่จะล่มจมกับดุน尼亚คนเงินเดือนน้อยๆบางทีก็อาจจะล่มจมกับดุน尼亚ได้เพราะเงินเดือนน้อยก็ดุ尼亚เงินเดือนเยอะก็ดุน尼亚สําคัญก็คือจะรับมือกับมันยังไง อามที่อิสลามได้บอกเอาไว้นะครับเราตองพึ่งพลานผมทนผู้ชมท่านผู้ชมทานานผู้มท่านผู้ชมท่านนผูนามมมาามานามาูนามนมนมาามามมามาาู